ปุชาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตานั่นหลว ง, งตาขีนานะโยตตอนอธิษฐานะบารมีนลาขายสงสัยเลยเร้ากนหน้าไม่ถามหรือนเนี่ยอเคอว่างมันนะ เราไป่ต <sy d rom> ้องถามรอบๆลังไหมล้วถามเลยนี่ไงเอเาของใครของมันแล้วถามเธอให้นะกระจ่างเดี๋ยวเราจะสร้างเจดีย์บรรจุกระดูกของคารวะแล้วเข้าสร้างเจดีย์บรรจุอธิษฐานของพระพุทธเจ้าว่าอะหานเดี๋ยวเราจะของพระเดี๋ยวเราจะสร้างเจดีย์บรรจุอธิษฐานของคารวะที่บรรลุธรรมแล้วให้ไปจองนะ น่าไปจองไปจองเพราะอบกแก้งมันเรใจดีย์มั้งไว้ <c oughs> เดี๋ยวให้ไปจอง เ, เอาเอาชื่อไปจองไว้เราต้องมั่นใจว่ากระดูกเราก็เป็นพรธาตุแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวให้ไปจองเอาไว้คนจะไปถึงซึ่งนิพพานได้หมดในภาวะที่เป็นฆราวา่าอย่างนี้นะครับใ ช, <c oughs> ใช่ใช่ใช่ฆราวาสก็สามารถรู้นิพพานได้ถ้าถึงสิบห้าบริสุทธิ์แล้วก็สามถึงพรหมันรย์ ลุกเป็นผาดได้พอแม่ครูอาจารย์ก็ยืนยันรับรองหลายทา่านถ้าสีขาวแล้วทไม่ต้องเจอใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> แล้วไม่ถามของตัวเองมั้งอาจะน้องถามเอ้าถาม <c oughs> ของใครของมนะันไม่ถามเราก็ไม่รู้นะหนูยังไม่ได้สึกทอดประวัติเลยทั้งนั้น สงสัยอะไรครัจะถามเดี๋ยวนั่งแยกกันดีไหมตอนแรกจริงๆก็จะถามคุยกันแค่คร่าวๆว่าเราจะเริ่มต้นยังไงใช่ไหะคะคุณารทีนี้ถ้าจะมานั่งฝึกเป็นเหมือนฝึกสมาธิก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มีเวลาฝึกหรือเปล่าแล้วเวลาฝึกก็กส่วนใหน่ก็หงส์ใสจะเชิ้มหลับไปมากก <laughs> ่น่าต้องเอาแผนที่ถ า, านที่ฐานก่อนนะแผนสามแผนกนะัน หัหน้าจอแผ่นสามแผ่นอนพิฐารันถ้าแม่แม่ไม่แผนสามแผ่นนั้นมาพิสานทำสามแผนหมถึงเลยครับเให้เอโ อ, โอเพราะว่ามันอยู่ในรถมาถ้าถ่ายเกสารเยอะแขกสามแขกอยู่ น, นมันอยู่ในรถก็มีเออมันก็มาจีบมาที่นี่มากมมาก็มีมาในรถอะไรก็มีเนี่ยเอาต้องให้หัวหน้าพิสานกอนไมงั้นความํามันจะไม่มันเชื่ใจว่าจาได้แต่ถ้าไม่ถิงใจอะ เมื่อวานทำยี่ส์เมื่อวานนี่ไปไปที่ร้านหมออยู่ในอยู่ในรถก็ไปถ่ายเอกสารคือหัวหน้าต้องตั้งเจตนาปร า, าัสนะก็คือว่าการไปเกิดอีกเห็นว่าการไปเกิดอีกมันเป็นทุกข์เกิดอีกก็เป็นทุกข์กิดอีกก็เป็นทุกข์ก็ไปวิ่นไล่ตายเกิดให้เป็นทุกข์ทุกชาติไปอันการไม่เกิดจะแหะจึตไม่ทุกข์อันจะเราเนี่ย ไม่ปาฏิาริ ย, ย์จะเกิดเบียนว่ายใจเกิดท่านเป็นทุกข์อีกเราก็ตัดใจลงในปัจจุบันอธิษฐานบุญบรารมีคุณมงามความดีที่เราได้ทำ ม, มาทั้งหมดทุกภพทุกชาติในจาปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เราก็ทำคุณละบาปจนถึงที่สุดแล้วไม่ทําผิดสี่ห้าความงามความดีบรารมีสิบล้วก็ทําจนถึงที่สุดแล้วก็ภาวนาเนี่ยเราก็ตั้งใจจะพิึิตปฏิบัติธรรมให้สิ้นกิเลสปัญหาลุกนิพานในปัจจุบันนี้ ไม่ปารนาที่จะเวียนว่าใจเกิดท่าเนเส็จทุกข์อีกต่อไปเกิดอีกก็ต้องทุกข์อีกเกิดอีกก็ต้องทุกข์อีกไม่เกิดขณะที่ไม่ทกก็เลยต้องอธิษฐานตั้งใจจริงๆว่าเอาลนะเอาบรารมีทั้งหมดนี่แหลเอามอาธิษฐานในปัจจุบันขอเป็นแค่อหาหัยสามโขของพระสัมมาสัมพุทธองค์ปัจจุบันนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี้ยอสิกิเป็นปิกกันเนี้ยมันก็จะ ไม่ติดกันเราก็จะความรู้ทามเห็นทางก็จะง่ายอ่าสักสเลยอย่งางนเรียนถามตา <c oughs> เอ่ออย่างที่หลงตาบอกว่าให้พี่สลงตากันนํำนะคะว่าก็เหมือนกับเราต้องขอบุญคุณงามความดีทั้งหมดที่เราเคยสร้างสมมาอันนี้คือทุกคนที่จะปฏิบัติต้องเริ่มต้นแบบนี้เหมือนกันนี้คะไม่เหมือนเฉพาะ ผู้ที่เคยปัถนาอภิสารจิตปัถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ปัตนาจะเป็นแค่อรหันต์สาวกเคยสร้างบารมีเป็นอรหันต์เจ้าหรือมิฉะนั้นปัตนาเป็นพระโุธิสัตว์เพื่อเดือเพื่อขุดพวกอยู่ไปเรื่อยหรือยิฉะนั้นปัตนาเป็นพระปัจเจพุทธเจ้าไม่ปัตนาเป็นแค่อรหันต์สาวกหรือมิฉะนั้นปัถนาเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ปัถนาเป็นพระอรหันต์ที่เป็นเลิศเป็นเอกทัคะ ในสมัยพิชิตเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่ตวเอต้องเป็นเลิศเท่านั้นถ้าเป็นอาลัยธรรมดาไม่ยอมเช่นว่าจะต้องเป็นอาลายก็จริงแต่ต้องเป็นอาลายที่เป็นเช่นเดียวกับพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญาสูงสุดเลื่องขวาหรือผู้มีฤทธิ์มากที่สุดเป็นโมคขลานะเบื้องซ้ายหรือว่าเป็นพระอานนท์ที่เป็นพระอุปถาดอย่างเนี้ศิลปะาสนาอย่างนั้นเนี่ย เรายังต้องไปสอบไปสอบเพื่อสร้างบา ร, รมีเป็นเพิ่มเข้ามานอกจากเป็นอรหันต์ธรรมดาแล้วเรต้องเพิ่มเป็นอรหันต์ที่เป็นเอสกข้าเป็นเลิศในพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในข้างหน้าต่อไปไม่สามารถทําความรูม้ิพญาณในปัจจุบันได้มันถูกขวางด้วยแรงอธิษฐานหรือมิเช่นนั้นอธิษฐานตามตามผู้ชายไปหรือตามผู้หญิงไปแต่ตัวอย่างผู้ชายอธิฐานตามผู้หญิงไม่มีมีแต่ผู้หญิงเนี่ยอธิษฐานตามผู้ชายว่า ฉันจะขอเกิดตามเธอไปทุกชาติทุกชาติอะไรอย่างเงี้ยฉันรักเธอมากรุ่มหลงเธอมากฉันจะอธิษฐานขอเกิดตามเือไปทุกพบทุกชาติอย่างเงี้ยก็ปฏิบัติไม่สําเร็จปฏิบัติยังไงก็ไม่สําเร็จจะต้องตกละกรรมลําบากไปพร้อมผู้ชายนัแ น, น่ะที่เราอธิษฐานตามไปต้องทุกข์ยากลําบากตกละกรรมลําบากใจก็เกาะเกี่ยวบัวพันเขาไปเลยเขาไปตกสูงสตกต่ายังไงเราก็ต้องไปกับเขาเพราะว่าเราสลับทิศเราสลาับิดของเรา หรือเช่นไปดิษฐานไม่ต้องขนาดนั้นเนี่ยหรือมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ขนาดนั้นก็อย่างเช่นเราจะตัวอย่างมีผู้ว่าศาท่านหนึ่งอ่ะคือตอนนั้นมีผู้ว่าสาท่านหนึ่ง เ, นนงเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วจิตสว่างสไยครอบคุมคนอื่นหมดเลยเราคนนึงก็โอ้โหมีบลัมีมากจริงๆนะเนี่ยแต่ต่อมามาปฏิบัติธรรมอ่ะ อยู่ๆจิตมันดำคล้ำมืดดับไปเฉยอ่ะเราว่าไอ้ทาไนจะนี่อ่ยก็เลยพิจารณาจะรู้ความจริงว่าเอ้าปฏิฐานอะไรมาจิตมันสว่างกะไวดีปฏิฐานอะไรมาอาจารย์ผมไปเที่ยวไปสัมมนาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาผมเห็นประทิประทิดตะเวนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ยมันสวยมากผมเลยปฏิฐานว่า ชาส น, นาผมให้เกิดมาเป็นฝลั่เป็นฝลั่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอ้ตายนะพุณอยู่ศาสนาพุทธดีๆจะไป เ, เกิดต่างศาสนาเป็นฝลั่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์แนะเพราะกลับมาปฏิบัติปิดใช้ทิศสว่างปิดทุก เ, เหมือนกับไฟปิดไปเลยดำไปเลยและตั้งแต่นั้นนะ่ะชีวิตมีแต่ความทุกข์ทำตาไหลเข้าไหลออ ก, ออกทุกมากเจอเราหลายสีเอี่ยมทุกอยู่นั่นแนะ่ะแก้ไม่ตกเลยเปลี่ยนแค่ อธิษฐานจะไปเกิดสวิสเตอร์แลนด์แค่นั้นแหละยังผลร้ายขนาดนี้แล้วปิดทําให้ทุกอย่างลำบากน้ำตาไหลเท่าหลอดเส้นหลายปียก่อนนั้นไม่เคยเป็นสิสว่างสวยมากที่เลดตัวเดียวเนี่ยมันทํำให้สิ้นขานได้ไม่ต้องมากมายเลยเลยแล้วในตัวเนี้ยมันเป็นตัวแก่เพราะว่าไม่รู้ไปติดอะไรมาบ้างเป็นเล็กน้อยติดนูน่นจิตนี่ก็เลยอธิษฐานด้วยใจร้อยอร์เซ็นล้างมาันไม่เกลี้ยงแล้วก็ตอนนี้ฟังธรรมกันนะมันได้เยอะอะไรสิ่งตกตะกบมาขวางกัน ห ต, ตาคาที่เมื่อวานหลวงตาแนะนาว่าอ้วหลวงตาแนะนำว่ า, า, า, วาถ้าเวลาเราจะไปไหนถ้านูถ้าหให้ชวนพวกปริวานอะไรนะพวกที่เคยร่วมสร้างบุญกันมานะคะให้ร่วมทำบุญเ่ว ม, ร, วมร่วมที่จะปฏิบัติดีด้วยกันแต่ถ้าไม่สามารถมาได้ก็ให้อนุโมทนาบุญกั น, น, นหนูไม่ทราบวาต้องไปอธิษฐานตอนไหนทำยค ง, งับ ทุกครั้งที่ที่หัวหน้าจะทําความดีอะไรก็ตามแม้แต่หัวหน้าจะเดินทางมาฟังธรรมี่เนี่ยหัวหน้าก็บอกเขาหมดเลยเหมือนกับประกาศไปในประกาศเนี่เป็ น, นธรรมชาติเชินเขาด้วยอันนี้ไม่ทีไม่กี่คนใช่ไหมคะเออคนไอ้เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ค น, คออคนแต่ก็คนด้วยบอกแม่ก็บอกหัวหน้าเนี่ยเคสร้างบารมีมาหลายมีบริวารมากทั้งที่เกิดแล้วก็ยังไม่ได้เกิด แต่ว่าน้าไปเคยได้ยินขา่าวเขาเลยน้อยใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างเขามาแล้วเวลาเราจะปัสถนามรูปปิพภาณเราก็บอกเขาด้วยเขาจะได้อธิษฐานกับลำพ้องเราเรามาลำเรือเดียวกันเขาตามเรามาหลายภพหลายชาติพากันสร้างบารมีอยู่ๆเรากลับลำแล้วบอกว่ารถเหมือนกับว่าเราเป็นรถคันหัวหน้าเราเป็นรถหน้า แล้วเรามีบริวารตามหลังเรารถลลหลายคันมากเลยอะ่ะเราก็เคยพาเข้าไปทราบบารมีจะไปพาทราบบารมีเป็นพุทธเจ้าไปนู่นเป็นนี่แล้วอยู่ๆเราก็เกิดรถขนันหน้าเกิดกลับลำเลี้ยวกลับลำเฉยว่าไม่เอาแล้วจะไปทางบุตโพธษิสัตว์ทางทางสร้า ง, างบุญบารมีไม้ไ ป, ไปล้วพอบรรลุพ้นิพันในปัจจุบันเป็นแค่เอาบารมีทั้งหมดมามดิษฐนว่าขอบุญบารมีทั้งหมดเนี่ยมาช่วยทําให้เราทิ้นกิเลสบรรลุพ้นิพันในปัจจุบันนี้ กับลาได้เฉยแล้วเขาก็ต้องบอกขั้นหลังด้วยเขาจะได้ไม่งงซึ่งเขาก็งงมากเลยไปไม่ถูกแล้วก็เขาก็จะหลงทางพอเราประกาศไปกองฟ้าก้องบินแบบเนี้ยแล้วเราก็ชวนเขาด้วยแล้วพอเราที 3, ่สามเสร็จแล้วเราบอกเขาด้วยแล้วเราก็บอกเขาด้วยเราจะไป ท, า ท, าทาําคุณงามความดีก็ชวนเขาด้วยความเงินเงินต่างๆต่อกันก็ไม่มีแล้วก็จะช่วยกันไปไหนก็ช่วยกันในหมดทุกอย่างเขาก็จะไป็นคนทุกด้วยเราเป็นคนทุกข์ด้วยมันเหมือนกับว่าเนี่ยหัวหน้ามาเนี่ย แ้วก็มีถึงว่าเมีลูกนอก้องมีใครขับตามมาด้งงยวยเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วอยู่เนี่ยจะจะเลี้ยวไปจอดตรงไหนก็ไม่บอกอาจะเข้าเติมน้ํามันก็ไม่บอกเพราะคนว่าพวกขับเลยหลงทางไปหมดเลยเอออยู่ที่ไหนเ้าเมื่อกี้แหวจอดเตินน้ำมันเออไม่บอกว่าจะจอดเติมน้ำมันปั๊มไหนเนี่ยขับเลยไปหมดแล้วหลงทางอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเราจะไปไปก่อนเราจอดตรงนี้เราพักตรงนี้แล้วแบบเร า, เาบอกเขาทุกทัวเขาก็ได้รู้ทั่วกันแบบอ่า เราจะไม่ไปฮะเขาจะได้กลับลำแล้วก็มีสานตามเราแล้วก็ใครก็มาฟังธรรมกับเรานะเอ่อธรรมมนุษย์จะไม่ใช่มนุษย์ก็มาฟังธรรมแล้วก็ให้รู้เห็นธรรมเข้าใจธรรมบรรลุธรรมไปด้วยกันเนะ่ะให้บรรลุไปแไปให้หมดเราก็ไม่ปรารถนาจะไปอยู่ใต้ายเกิดแนะต้องของบรรลุผลิภานกับที่ันผู้ใดก็ตั้งใจเอานะเหมือนกับกินข้าวร่วมโต๊ะ ก, กันเนะ่ะไม่สามารถจะอิ่มพร้อมกันไนดะ้แม้แต่แต่นั่งรออะไรก็ตามมันก็อิ่มไม่เท่ากันอิ่มไม่พร้อมกัน ไอ้คนหนึ่งกินก่อนบางทีก็ต้องนั่งรอไอ้คนตัวเก็บจานอย่างเงี้ยแต่จะให้มานอินมเทะพร้อมกันเน่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินต่างคนต่างกินแล้วทามากเหมือนกันต่างคนต่างกินแล้วก็ต่างคนต่างกินแม้แต่เคยสร้างบาลามี้มาด้วยกันจะไปรอให้กินด้วยการพร้อมกันเน่ะเป็นไปไม่ได้ น, นแน่ๆเราจรงต้องเราจะกลับลําต้องบอกเขาด้วยไในใจว่าขอทิ่เราดีสุด ก็ไม่ไม่เหมือนกันทุกคนเลยเดียทุกคนสร้างบารมีมาไม่เท่ากันสร้างบริวารมาไม่เท่ากันเขาไม่ได้ปัถนาความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธสัจปัจนาเพื่อสร้างบารมีปัจนาเพื่อจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นบริวารเขาเลยน้อย บุญบารมีเขาเลน้อยบริวารเขาก็ น, น้อยเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อเพื่อจะสร้างผู้อื่นเที่เหลือเชื่อคืนคนอื่นคนที่เกิดมาหลายภพหลายชาติคนที่สร้างบารมีเพื่อคนอื่นเนี่ยยิ่งเกิดมาลําบากมากกว่าเขาหลายภพหลายชาติมันก็เลยต้องเสียสละมาเรื่อยๆแล้วก็มีบริวารก็ต้องมีบริวารมากแล้วก็ทุกกับบริวารมากแต่ก็ก็ตัวเองก็สร้างมาในเชื่อไม่ได้สร้างบารมีกับบริวารมา ปัญหาความที่เหลือคนอื่นอย่างพระบาทสมเด็จพระจอยู่หวนพระองค์ลำบากยากแค้นเชียงใดแสงสาหาัสไม่ว่าจะธุระการาดขนาดไหนพระองค์ก็ไปช่วยเหลือคนอื่นก็เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อคนอื่นขนาดอนั้นเล่าเลยเราฟังนัน้นตำรวจที่เคยตามเสด็จท่านผทหารที่ตามเสด็จท่านเคยเล่าให้เราฟังตอนเราไปหัวหน้าศาลที่ำพิการพระองค์ขนาดพระองค์ไปเนี่ยไปไม่ถึงไปตามแผนนะคือพระองค์ ดูกับการแผนที่เราเห็นว่าตัวนี้มันมันเป็นแหล่งที่จะกลักน้ําได้ประชาชาวบ้านที่ได้ไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำเพราะองค์ก็เดินแยกไปเลยแล้วโอ้โหกเดินไปมันลําบากมากเลยคนที่เดินไปตามพระองค์ไม่ถานแล้วไม่ได้เตรียมเตรียมการกันไว้องค์เดินเร็วด้วยไปซื้อซืไปองคเนี่ยบุกเข้าไปเลยตามแผนที่ขององอ่ะพระองคเชื่อมั่นในแผนที่ขององค์บุกเข้าไปปิงมันเกาะพระองค์เต็มหมดดูเลือดเต็มหมดแม้แต่บอกว่ามาขึ้นร้นนั้นเนี่ยยังจับติงออกไม่หมดนะปิงเกาะพิคอ ก็ยังบอกว่ายังพูดตลกเลยบอกว่าให้รถจอดแล้วก็บอกว่าอะไรสิงเขาเกาะพ่ <c oughs> อสออะไรแล้วก็ตรวจท่าตัวรเนี่ยเกาะพ่อสอแล้วก็ให้รถจอดแล้วก็ค่อยปลดเอาไปหวางก็าก็เขาไม่ได้ไปข้ามเขาหรือลำบากเราอะไรเขาท่านเนี่ตาก ม, มากแล้วก็ทุกอยาก่างาำบาแล้วก็รีเนี่ยที่ที่เขาอะไร มีหมอคนหนึ่งเนี่ยทีหมอกองแมหมอทหารเนี่ยที่เราเห็นในไลน์กรณีว่าพอเข้ามาเป็นหมอตอนแรกทหารเขาบอกว่าให้ให้เตรียมตัวจะไปไปรักษาคนก็ทุกคนไปสบายๆหอบสาระสารุงุ่งๆเต็มไปหมดแต่เดินไปโอ้โหบ่นปู้เลยลบอกว่าทําไมทางมันลาบากขนาด น, นี้ยขอสบสาระมาแล้วไม่ให้เตรียมตัวเตรียมใจเลยถึอก็โอ้โหมาใกล้านโดยสไกบดไปว่าก็าใหญ่ละบนเริ่มหงุดหงิด เขาก็เลยบอกว่ามุญดิตเหรอมะโหเหรอเมื่อก่อนเนี้ยทางเนี้ยตอนที่เดินมันเนี้ยลำบากกว่านี้เยอะที่เดินมาวันเนี้ยสุขสบายแล้วนะโอ้ที่สุขสบายแล้วเหรอใช่เพราะเมื่อก่อนเนี้ยลําบากกว่านี้แล้วมีเจ้านายพระองค์หนึ่งมีเจ้านายท่านหนึ่งเนี้ยลําบากกว่านี้ยังเดินมาแล้วเจ้านายนั้นใครอ่ะลำบากเส้นเดียวกับเจ้อยู่อ่ะเนเดินมาทางยังไม่ดีเลยเดินบุกป่าป่าเขามาลําบากว่ากว่ากว่าท่านหลายเท่านะ แค่นั้นเนี่หม อ, อ ก, ก็บอกว่ามันถูกตบหน้าเลยอ่ะอึ่งไปเลยว่ะบอกว่าไอเสบเตงมุดจิกโมโหเขาว่าพามาลําบากพูดที่เคยมาลําบากก่อนก่อนท่านแล้วลำบากวันนี้ทางยังไม่ดีคุวัติทจะอยู่แล้วก็ส่วนเด็กประเทศละตนเนืดเป็นผู้หญิงเครื่องบินฮอมามาลงที่สุดอ่ะเดิดลงแล้วก็ต้องเดินมาทางเดียวเท่าที่หมอข้องเดินไป ในทางทุรักันดารลาบากแบบนี้ประเทพก็เคยสุเด็ดเลยนะตัวเองก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นหมอที่ดีไม่ปลดไม่สอบไปก็คือไปรักษาพวกชาวเขาที่ข้ามข้ามภูเขาไปนั่นคนที่มีบริวานมีบรารมีมากก็ต้องทุกข์ยากลาบากแบบนี้เพราะได้สร้างบรารมีมาเพื่อคนอื่นเห็นแก่คนอื่น บารมีก็มากกว่าคนอื่นเป็นหัวหน้าเขาเป็นกษัตริย์เขาเกิดเป็นเทวดาก็เป็นใหญ่ในสวรรค์ทุกชั้นมาแล้วดังนั้นเกิดมามันก็เลยลำบากกว่าคนอื่นมีบริวารทุกกับบริวารมากกว่าคนอื่นอันเวลาบริวารเนี่ยเขามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบริวารก็มาเกิดตามไม่ทานอีกเยอะเพรที่เกิดแล้วไม่เกิดก็กเยอะแยะมากมายเราก็ต้องนึกถึงเขาด้วยเวลาเราจะกลับละเราต้องประกาศเขาให้ทั่วว่า แบบ น, นี้เราไม่ไปเกิดอีกแล้วเราไม่ไปเกิดพบไหนทั้งหมดอะใครก็ตามที่เคยสร้างกุศลบ น, นบุญบารมีกับเรามาทุกภพทุกชาติเกิดในชาตินี้ไม่ว่ามนุษย์ก็ดีไม่ผินในชาติมนุษย์ก็ดูเทิดเบิอิ่มพรมยมยักษ์หนาคุดมนุษย์คนทาทนสัพพสัตว์ธุกร ก, กิจวิญญาณที่ยังเวียนรายตายเกิดบนป้าใต้ดินบรบนาารยากาศอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดนี่เนี่ยผู้ใดก็ตามเนี่ยที่เคยสร้างบารมีกับเรามาเนี่ยแบบ น, นี้เราไม่ไม่ปัจฉานไปเกิดอีกไม่ปัจฉานจะจะไปสร้างบารมีต่ออีกไป เรปรารถนาจะบรรลุพรนิพพานติ้พบพิ้นชาติลงในปัจจุบันนี้เราเหนื่อยยากลาบากทุกข์อาหัดพอแล้วผู้ใดปรารถนาที่จะบรรลุพระผลนิพพานกับเราที่เคยสร้างบารมีมากับเราเนี่ยก็ขอให้ที่สารถอนทืนให้หมดแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมกับเราตั้งใจกับพืชปฏิบัติธรรมกับเราทุกครั้งที่เราเนี่ยไปถวนามทําความดีไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะสวดมนต์ไหวพร้าวขึ้นปฏิบัติธรรมตั้งใจมาฟังธรรมอย่างวันนี้ย หรือว่าเป็นประธานกับติตต้งป่ป่าอะไรก็ตามเนี่ยขอให้เป็นร่วมกุศลกับเราด้วยทุกครัง้งไม่ว่าจะเป็นมรดกดี่ไม่ใช่มนุกดี่ไม่ว่าจะเป็นพบภูมใดโล ก, โลกาธาตุใดจักรวาลใดไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลใดทุกที่ทุกชาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณผู้ใดไป ร, ร่วมสร้างกุศลบนบุญบามีพุ่งน้ากับดีกับเราได้กับไปด้วยเลยไปได้วยกันผู้ใดไปไม่ได้ ก, ดก็ช่วยเหลือเราใครมีฤิธก็ช่วยฤทธใครมีเงินช่วยเงินใครมีของช่วยของใครมีความรู้ความสามารถก็ช่วยเรา ในการสร้างคือสังบสนุนบริกรุ่งเรืงความดีทุกอย่างผู้ใดไปไม่ได้ก็ให้อโมทนา ม, มุขสนุขนผู้ใดไปได้ก็ให้ไปร่วมกับเราและผู้ใดปาตตนาที่จะบรรลุผลพผ่านในปัจจุบันก็จงอธิษฐานถอนคืนเถอดแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงพ้นจับทุกปฏิภพปนจับทุกยากลําบากทางกายและใจขอยดูทำเห็นทำกันทั้งหมดเถิยเถอดแล้วก็ โดยอัตโนมัตินะตัง้งสลัมวัดยตลอดเวลาแา่าที่นิสัยได้เธอเนี่ยเราก็ทาอย่างนี้พเพื่อจะไปประจ ำ, จำเป็นนิสัยเราก็เป็นเหมือนอย่างหัวหน้าเนี่ยนะหัวหน้าก็เป็นอยา น, นีเราก็บริวารมากเราก็พูดวายกับบริวารเยอะเนี่ยเราก่อนอําบวชจะสอนทำมาเกือบยี่สิบปีลูกศิษย์ลูกหาก็มากมายทั่วโลกก็มีบริวารมากก็อย่างว่าธรรมดาคนอยู่คนหมู่มากก็มีน้องตั้งแนง้ง้องตั้งแหน่งตั้งแยกกันก็นธรรมดา แล้วก็หัวหน้าเขาอะ่ะสร้างบารมีมาแล้วว่าต้องสร้างต่อแต่ต้องบอกเขาด้วยเราจะกลับลาต้องบอกเหมือนกับเราไปที่ท่านท่านหนึ่งเจ้าว่าเขาบอกว่าเออมาคืนนี้ตอนนอนอยู่เนี่ยมีวิญญาณมาหพอมล้อ เ, เตรี็มไปหมดเลยมากราบท่านแล้วก็บอกว่าเขามากราบขอบพระคุณท่านแล้วก็กาบลาจะไปแนละ้วจะไปเกิดนะแล้วแล้วใครยัมาปวดปอยพอวันลูกคืนอะ่ะ ถ้าเบอกว่าโอ้เรานี่เองอะพอเราไปพวกเราเป็นที่ฐานว่าเรามาเกิดแล้วเป็นมนุษย์แล้วเรามาเกิดแล้วแบบ น, นี้เราไม่ปรารถนาที่จะสร้างบา ร, รมีต่อไปแล้วเราปรารถนาที่จะอสิ้นเกศไปรู้ควานิพพานในปัจจุบันที่นภพสิ้นชานลงในปัจจุบันนี้เราไม่ไปเกิดแล้วเราเห็นความทุกข์ยากลำบากมากเลยในการเวกิดไร้าตายเกิดเราไม่ไปแล้วเมื่อไปไหนทั้งหมดเนี่ยใครที่เคยสร้างบา ร, รมีมากับเรารีบใครไปเกิดได้ชันก็รีบเกิดให้หมดเลย รีบเกิดไปรีบเกิดให้หมดเลยมาทันที่เราสอนนี่แน่ถ้ายังเกิดไม่ทันเนี่ยก็ไปเยอ่กับลูกศิษย์เราเถอะไปเยีกับลูกศิษย์เราแทนอย่างนี้แหละใครเกิดช้าก็ใครเกิดทันก็มาเกิดเลยใครเกิดไม่ทันก็ไปเยีกับลูกศิษย์เราแทนเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่จนกระทั่งตักไม่ตายจนต้องมาเกิดอีสอนไปเรื่อยๆอย่างนี้คือที่สุดแล้วพระองค์ก็ดับฐานปฏิทนพานไม่เกิดอีเมื่อยุคแปดศี อลานสาวอกพ่อแม่กูบาอาจารย์ยทั้งหลายท่านก็เมื่ อ, อลูกอลานแล้วท่านก็ไม่เกิดอีกแล้วดับขันไปหมดเลยผลดิพานไปหมดเพราะว่าไม่มีใครดิโอโหเกิดแล้วก็ดอีเกิดแล้วกเก็อีมาสอนกันิย่นันแหละเราเมื่อก่อนที่เราเสียชาเราเกิดไปให้สัจจะอธิษฐานต่อเทเสดดาวทั้งหมด <c oughs> ไปให้สัจจะอธิษฐานต่อเทเสดดาวทั้งหมดไป <c oughs> ตอนนั้นอะ แล้วเราทำให้เราเสีย hmm. ่าโอ้โหเราทุกข์ยากลําบากแสนสหัสเราเลยว่าโอ้โหทุกข์ยากลําบากเราเคยสบายที่สุดได้เคยสบายที่สุดแล้วอยู่ๆเรต้อมาทุกข์ยากลำบากเราก็เลยแมวแล้วแมวแล้วเราคืนคืนคืนคืนนะพี่ตั้งเราให้จะไว้กับพวกเทวดาทั้งหมดเนี่ยเราไม่เอาแล้วเราทุกข์ยากลําบากแสนสาหัสมางเลยเราเคยสบายแล้วเรามาไม่สบาย มันเราเพิ่ง ม, มารู้ว่าโอ้พระเจ้าว่าทั้งหลายไม่มีใครต้องไม่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดสอนอยู่นั่นเนี่ยไม่มีจบสิ้นเะนี่ยนั่นพวกพัะหนึ่งไครมาเกิดชันเราก็ให้มาเกิดใครมาเกิดไม่ชันเราก็เรียนกับลูกติดเราเองก็แล้วกันหรือใครที่สามารถมาฟังทำเทวดาก็สามารถมาฟังทำแล้วเนื้อทุกขณะปัจุบันตามเราไปฟังทำตามเราลุปฏิบัติทำแล้วก็มัลุกไปได้ในชั้นเทวดาก็รุกไปเลยไม่ต้องมาเกิดเองนู้นก็ได้แต่ไอเราเนี่ย ไอที่เราที่จะาไปเคยให้จ้าจ่ากับเทวดาทั้งหมดว่าเราจะต้องไปเกิดอีกเราไม่เกิดแล้วเราไม่เอารับทุกอย่างลาบากเราขอถอนคืนที่สานเราเลยถอนคืนเราไม่ไม่ที่ให้จะจ่าไว้เราขอถอนคืนเราขอโทษขอโทษจริงๆเราไม่รู้ความรู้เท่ากับิหการณ์ตอนี้เรามีปัญญาแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วเป็นทุกอย่างลําบากมากเราขออธิษฐานเอาบุญบารมีมาให้บรรลุผลดพานในปัจจุบันไม่เอาแล้วไปเกิดอีกทุกอย่างลําบาก คนเรามีมีธรรมเป็นมายาวนานแต่ละคนมาไม่เหมือนกันแต่เราก็ให้ที่ถานรวมหมดเลยทุกแห่ทุกคนไอ้ที่ถามส่วนบางคนเขาก็เต็มใจบางคนก็ไม่เต็มใจเราก็เช่วยไม่ได้ตันหน้าก็ต้องทำอย่างเรานะี่ตัวประกาศอย่างเรารทราบตัวกันมีานการปิดขัดเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ไม่รู้ความรับตรงเนี้ยตอนหลังเราไปอยู่ที่วัดในป่า ที่ทองประภูมิอาจารย์ท่านนึง่งท่านแนะนําท่านพูดขึ้นมาว่าปลุงไปเราจะติดตรงนี้ไหมเราไม่ได้บอกเอยู่ๆ เ, เราเราหักหมุมไม่เฉยเราไม่ได้บอกบริวารไม่ได้บอกผู้ที่เคยสร้างคุณสมบูรณ์บุญบารมีคุณธรรมความดีมาของเราเราเลยติดติดกันขเราไม่ได้บอกเขาเราหักเราหักล้ำกลับได้เฉยอ่ะอยู่ๆเราก็พัฒนาพริรีฟาร์จะไม่บอกใครแต่เราเราทำแบงนี้ไม่ได้เพราะว่าเรามีขบวนตามหลังเราเยอะอยู่ๆเราจะ ไปปัตนานในใจคนเดียวนี่เงียบๆแล้วพวกติดตามหลังเรามาแท่กันมาหลายพบหลายชาติแล้วเขาไม่รู้ตัวแย่ yeah. พากรหลงทางเราเลยเต้องประกาศทั่วกันยอย่ามบางทีก็ถือว่าประกาศแล้วบอกแล้วผู้เสียดังๆเออดันไทที่เป็นลูกติดเราเนี่ยเราสงสัยว่าส่วนใหญ่สร้างบา ร, รมีมาทาง สร้างบริวาสร้างบา ร, รมีมาเป็นสักดื้อเสิมมาเพื่อสร้างบา ร, รมีอันทุกค น, น, นจะรปรารถนาจะรู้สึกเราปรารถนาปฏิภานในปัจจุบันต้องถ อ, อนหมดต้องถ อ, อนหมดเราต้องเจ ด, ดูจากลวงปู่มั่นลวงปู่ม้านท่านสร้างบา ร, รมีมาเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ท่านมาสอนคืนเพราะว่านิมิตเห็นลูกหมานอนดูดนมลูกหมานอนดูดนมแม่อเาถามเออทําไมนิมิตเห็นเป็นลูกหมานอนดูดนมแม่ ลูกหมาเนี่ยคือเจ้านี่ขนาดเราโอ้โหบา ร, รมีขนาดนี้มนเกิดเป็นลูกหมาตลกดสองเว่ยก็ทำไมมาเกิดเป็นลูกหมาเกิดเป็นสัตว์ในฉานหลายเนี่ยหลายภพหลายชาติเป็นดีเพราว่าเคยสร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็นตุนเเจ้าเลยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพจักรงสงคามเนี่ยไปเป็นอบาบัยปกอบัยต้องเยอะแยะมากมายก็เลยโอ้แม้แต่พระอนนต์ของเราก็ายังเคยผิดพลาดเลยเพราะว่าสร้างบา ร, รมีเนี่ยเราเห็นโทษการไปสร้างบา ร, รมีนะ ฟานนทเนี่ยก็เคยไปเป็นชู้กับเมียเจ้านายเป็นเป็นชู้กับเมียใน้าติไปเกิดเป็นไปตกมาโลกเกิดมาก็เป็นสัตว์เดรัจฉานตุ่มเมียทุกยากลำบากแล้วมันเกิดเป็นผู้หญิงทั้ง15ชาติแล้วก็จึงมาเป็นผู้ชายเป็นลูกอรหันหนะนั่ให้เราเห็นว่าโทษอันเนี้ยมันไล่ยแรงมากคือสร้างบารมีต่อไปก็สร้างบาปกรรมอยู่เรื่อยๆนั่นเลยถอนถอนลูกิีนลูกปูนได้ถอนหมด แทบจะไม่มองค์ไหนไม่ถอนเลยยกเว้นแต่พาะองค์ถอนไม่ได้นะถอนไม่ได้เพราะว่าอย่างองค์อย่ า, าองหลวงพุจาม์หลวงพุจามมาอยู่ร้อยกว่าปีปีอยู่เที่อะไรนะลูกทาหารใช่ไหมหลวงพุจาม์ลูกทหารมอยู่ร้อยกว่าปีท่านบอกกับลูกศิษย์เราว่าถอนไม่ได้ท่านได้รับพุทธสจำนายนะถอนไม่ได้ต้องเป็นเดินทางสามพุทธเจ้าต่อไปนะ <c oughs> ท, ท่านถอนไม่ได้แล้วก็มีหลายองค์เราเห็นว่าถอนไม่ได้ ไม่ได้บาง ก, ก็ถอนได้บาง ก, ก็สอนไม่ได้เพราะว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าทำนายไปแล้วดังนั้นต้องต้องไปต่อเพื่อเป็นผู้ธัดสิใครไม่ใครที่ไม่ถูกพุทธธรํานายไว้ก็ถอนคืนได้หมดหลายเพราฉะนั้นคนที่เป็นลูกศิษย์ของพระผู้มัน่นเราเห็นอ่นรรานดุเพอวัดถอนหมดแล้วต้องถอนด้วยใจจริงจะบรรลุได้ถ้าไม่ถอนได้จ่ายยังอยากจะครับปัจจาพระเจ้าเรามีต่อบรรลุไม่ได้บรรลุไม่ได้เพราะว่าปัจจานาไอแรงปัจจานาเนี่ยมันแรงกล้าเลยต้องอธิษฐานถอนหลายครั้ง ตทำๆๆๆเดี๋ยวกระทั้งมันหมดออกพอแจกใจความปัตจัยจะไปต่อเหลือแต่ความจิตจะกินพวกจิตชาติอย่างนี้แหละความเป็นมาเป็นนี้น่ะหายทุกอย่างทุกอย่างไม่มีเหตุรับผลหรอกในโลกเนี้ยมันมีทั้งหมดแหละ การเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์การเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ะหลุนจะมีเหตุผใดคนิดนึงที่ส่วนใหญ่ถึงกรณีนี้ก็คือส่วนหนึ่งเกิดจากเล่หลักอธิษฐานอยากจะนิพพานในชาติปัจจุบันได้หรือเปล่าค่ะแถ้าคนที่ไม่ได้อธิษฐานขอพอในข้อนี้เนี่ยเขาจะต้องอธิษฐานในดยขอเข้ามาในทํานองเดียวกันไนมะ่ได้จะถอนทั้งหมด แต่ทุกคนหายเกิดามันมานหลายภบหลายชาตต่ดูเราคนเดียวเนกองเท่าภูเขามันต้องเกิดอธิษฐานอะไรมาอธิษฐานขอโน่นขอนี่มามันต้องสร้างนาที่จะสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสบรรพณินิพานในปัจจุบันต้องล้างเช่นไม่ได้แม้แต่ไม่ได้ปฏิษฐานขอไปพระเจ้าหรือพระอรหันต์เนี่ยยังอิษฐานขอไปเกิดเป็นฝรั่งที่ประเทศสิงคโปร์เลยดูแค่นี้ยังปธิษฐานเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหกิเลสเนี่ยมันมันไม่รู้ตัวจริงๆอ่ะ แค le, que que ่น so so, like ั <Yeah. S 3> ้นยัไปทิฐาเลยตูวนีเป็นตงเนี้ยโอ้โหเป็นผู้ภาษาผู้ใหญ่แล้วนะอยากไป็อยากเกิดเป็นผลลัพแล้นมันก็จะเปลี่ยนศาสนาไปเลยถ้าอย่างนั้นนะอยากเกิดเป็นฝลัพประเทศของนิสสแรดอัี่ด้เป็นได้สิเดี๋ยวเทปนี้ไปฟังถเกิดผู้สาวคนนั้นฟังแล้วสะอึกเกิดเนี่เราถึง มีบางคนเนี่ยโอ้โหผู้หญิงเนะี่ยมาปฏิบัติจิตสว่างสวยัยครอบคุมคนอื่นหมดเลยมันเหมือนกับเป็นไฟกระปอดไล่ดวงใหญ่มากเลยเวลาเราจะสอนอะไรเนี่ยมองไม่เห็นคนอื่นเลยเยนี่มันสว่างเนี่ยก็ไปกระปอดไล่เหมือนกับเราเราขับรถไปอะเนาะบางีรถบรรทุกไฟสว่างสว่างมันเปิดไฟสูงใส่ตาเรามองไม่เห็นพาม อ, ม, นมองไม่เห็นไฟใต้ถนนมองไม่เห็นไฟรถขับอื่นเลยอะเปิดจ้าใส่เราเลยแบบนั้นเลย อยู่ๆ อ, อ่ะโอ้โหหวัดปฏิบัติดีดีจริงเลยอยู่ๆมาแจกการแต่งงานเฉยนะเราก็บกว อ, อุ้ยเป็นขนาดนี้งแต่งงานดิเหรอโอ้โหไปแต่งงานมจะคุมมกบ้างนะหนูแต่งกันเป็นเพื่อนอยู่กันเป็นเพื่อนเฉยๆอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นรู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่เด็กปรารถนาให้มีเพื่อนนี่นี่ปรานาให้มีเพื่อนอยู่ที่ไหนพอแต่งงานไปแล้วร้องโหมร้องไห้ทุกวัน ก็ว่าท่านจะจะจะพูดได้ก็ได้ใช่นั่นแหละสิกรรมกรรมมันตามมาทันใจไม่เข้มแข็งทอกรรมมัตามมาทันนะไอ้เรื่องเนี้โอ้โ ห, โหต้องใจเด็ดขาดอีกทีนึงจะรอดได้กรรมมาตามมาทันกรรมเนี่ยเหมือนกับมารเนี่ยมันจะขวางทุกวิถีทางไม่ให้เราพ้ น, นไปเหมือนกับพระเจ้านะี่ย ก่ จ, จะตัดสรุปเป็นอรันสมาธิเจ้าโอหูพระยามานยกกองพับมาแล้วต้องมีอะไรนะโอโหูมานถ้ามันนางอลัลลดีนางตันหานางอะไรเนีนางราคะอะไรนางอัลลดีนางนา ง, นางอะไรอนางตันหานางอะไรราคะใช่ไหมแต่โอหูโอหูมันยัยย่วยวนมาเลยสารพัดหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลก็ยังโดนเลยเ อ, อผู้หญิงนั่งรถผ่านมาเนี่ยหลวงปู่ฟั่ น, น, น พาไ ป, ปะสบกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ด้วยแรงกรมแลงไปเคยเ ป, นป็นคู่กันมาก่อนนะรุงบุฟานเตะเต่ล้มลงไปเลยถ้าจะล้มเนีพระขึ้นพระพีม่มาด้วยรีบประคองผู้หญิงอะ่ะพุ๊บลงไปเปนรถเลยเรื่องอำนาจจิตของท่านที่แข็งแกร่งมากผู้หญิงพุ๊บลงไปเลยแล้วก็พระที่นั่นก็นไปรีบมากลับวัดไปรีบไปนั่นแล้วแล้วก็ ใครจะนั่นครก็ไม่าากล้าครับก็ช่วยช่วยเทศสอนท่านเสื้อสักผีท่านท่านก็ฟื้นขึ้นมาได้เล่นรู ป, ปแหวนสุชิโนก็นกเหมือนกัน่ะเพื่อนพาร์กบอกว่าท่านอย่าไปที่แม่น้ำโคงนะเพรว่าท่านจะเจอเจอเนื้อคู่กันแล้วคู่เป็นเนีย่ยท่านจะต้องพ่ายแพ้แล้วท่านจะต้องสึกออกไปแต่ด้ยวันท่านฝึกฝึกบัญชีทั้งขนาดนี้แนละ้วไม่กลัวพอไปถึงที่แม่น้ำโคงนี่ผู้หญิงกับแม่พายเรือมา ตามไปน้ำโขงแม่นั่ข้างหน้าผู้หญิงก็ถือนทอเลยหางเสื อ, อยุองหลังพอผู้หญิงเห็นแลผู้แหวนแลผู้แหวนต้อไปส่งน้ำํำเป็นปน้ำโกงพอผู้หญิงกับผู้แหวนเห็นด้วยกันะตาประสบกันแค่นั้นแหะแล้วผู้แหวนอยู่ในน้ำํำเตะเลยแรงกรำผู้แหวนเซเลยผู้หญิงก็ถือตอกตะลึงถือไม่ไม่ไม่ทัดหางเลยเรือก็จะพุ่งไปโดนฝั่ง แม่เลยสว่านเฮ้ยทำไปทําไปเลยในสได้สดีแต่ได้แรงกรรมเลงแม่พาผู้หญิงมาวัดเฉยเลยมาวัดมาหาหลวงปู่แหวนเฉยเลยหลวงปู่แหวนพอดีท่านตั้งสัจจะอธิษฐานกับแม่ท่านไว้ว่าท่านจะบวชไม่เสร็ตอนก่อนแม่เสียชีแม่ให้สัจจะไว้ก็เลยสัจจะแยกในวันนี้ช่วยได้ท่านเลยหนีออกหลังวัดเลยตลอดตาย แต่อีกองหนึ่งเนี่ยขนาดเทวดามาเตือนแบบว่ า, วาท่านหนีไปจากนี้เลยถ้านอยู่ท่านปฏิบัติอยู่ในถ้ำองค์เดียวขนาดอยู่ในถ้าองค์เดียวนะแล้วปฏิบัติดีมากเลยแต่เทวดาบอกว่าท่านหนีไปได้เลยหนีไปเดี๋ยวนี้เลยเพราะพรุ่งนี้กรรมจะตามมาถานท่านแนละ้วเนื้อคู่ท่านจะมาปรากฏว่าทแบบใบเป็นไรปฏิบัติดีถึงขนาดนี้แล้วสํารวมถ้าก็สํารวมระวังเลยเพราะว่าเทวดาเข้ามาเตือนนะ ออกไปมิจฉาบาทตอนเช้าไม่มองหน้าใครเลยเจอมิจฉบาตอย่างเดียวแค่เห็นมือก็มาใส่บาตรแค่นั้นแหละแล้วก็พอดีก็บอกว่าหน้าเองอคงจะไม่รู้เจต น, นานหรือเปล่าฝาบาตรนั้นมันเป็นฝาบาตรไอ้ไอโลหะเนี่ยมันเป็นเงาเห็นหน้าก็ในฝาบาตรแค่นั้นพอกลับถึงวัดเนี่ยจะตีแสงสึกสึกสึกสึ ก, ส ก, ส ก, สกไฟการมาตัญหาร้อนลุ่มลุ่มร้อนเขาผ่าน สุกอย่างเดียวสึกสุอย่างเดียวแล้วเจ้ากรรมพ่อพาลูกสาวก็ไปหาประทรรเพราะพ่อเป็นกำนันผู้ใ่บ้ า, านร่ำรวยบอกว่ามองไม่เห็นเลยไอ้หนุ่มที่จะช่วยดูแลทรัพย์สมบัตนะิมองเห็นแต่ท่านนะ่ะที่จะรักษาทรัสมบัติกับลูกสาวได้เอามายกให้นี่ไอ้กรรมจริงๆเห็นไหมมันตามมาท่านเลยก็ผัดเขาบอกว่า เจ็ดวันไม่ให้แจ้งคำตอบท่านเหลือไม่กินท่ากินน้ําเลยยอมตายถ้าท่าเหลืองจะหลุดออกจากล่างต้องไปแต่งงานกับเขาขอตายจะดีกว่าไม่กินท่าวกินน้าท่านบอกว่าตอนที่น้ํามันมันไม่ตกถึงคอเลยมันใกล้จะหมดสติแล้วคอแห้งปากคานเลยน้นนําน้ําน้ําคานเป็นโอ่งดินน้ําน้ํา ใจจะขาดแหละเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดน้ําน้ําน้ำเรื่องมือมันจะถึงโอ่งน้ำแหละวุบไปแล้วก็ดับดเลยครับแล้วก็พื้นขึ้นมาหลังจากนั้นกีวันมันรู้ฟื้นขึ้นมาวันสองวันทั้งวันอะไรฟื้นขึ้นมาพอพื้นพื้นขึ้นมาปุ๊บไอ้กรรมปัญหาลาภ ท, ที่มันกำเริบเผาผ่าญเนี่ยมันหายไปหมดเลย มันหายไปหายที่หมดใจมันร่มเย็นมันน้อาอมฤตท่านเก็บกดสะบายบาตอย่างนี้เ่ยไม่ประมาทนี้เลยเนี่ยต้งบอกว่าพิศวาลนีข น, นาดนั้นเนี่ยมันเขาอยางโสมไม่รอดหรอยังต้องไปแต่งงานนั่นแหน่ไอ้ลูกศิษย์เราเนี่ยผลท้ายเนี่ยทีแรกกับมาบอกเราาเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันแล้วก็ร้องโ hom ร้องไห้ทุกวัน มาเจอหน้าเรามีแต่ทุกทุกกระแสทุกกระทุกกระทุกเราห่มล้อให้ทุกวันตอนหลังรักเขาลุ่มหลงเขาร้ายยิ่งกว่านั่นนะสะระบุญบารมีของตัวเองอธิษฐานตามเขาไปหนักสาหัสหนักขึ้นไปอีกกว่าหลงเขาธรรมชาเลยดับเลยเริ่แรกแค่ยังไม่ดับนะแต่เขายังพอไม่ดับมากทุกๆก็ยังดับดับที่สิทธิ์ดับทสิแต่พออธิานตามเขาจับสนิทเลยจับเลยบุบไปเลย เนี่ยกรรมมากเลยล่ะประมาทไม่ได้เลยประมาท็นการเรื่องเนี้ยไม่มีใครประมาทได้หรือแก่สุดแล้วเอาตัวไม่รอดเออลําบากมากนะต้องเข้มแข็งเด็ดขาดขนาดนั้นจริงๆต้องยอมที่จะจะละชีวิตไปถ้าแต่งงา น, นยอมตายเพื่อพนันธุพานในปัจจุบันถึงจะรอดนะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่เข้มแข็งเด็ดขาดจริงๆไม่รอดจากบ่วงมาได้ พุทเจ้าของเราต้องเคียแขนเด็ดขาดไมได้จริงหลอดคนจากพยามมารได้นะให้หลอดคนจริงๆนะโยมนะจะหาเรื่องเวลาทุกไป ต, ตัวแล้วก็ําบากแสนสาหัสเนี่ยหัวหน้านโชคดีดูซ่าอยู่รอดปลอดภัยมา ไ, ไม่ไปทุกอยากลําบากเพบบราะบารมีโดยแท้บรารมีที่สร้างมาโดยแท้อยู่รอดปลอดภัยมามีทุกอย่างําบุญแล้ว ก็ย oh, no, <c oughs> ังไม่แต่งงานเลยนี่แหละเพราะบารมีเปบารมีเด็ดขาดจิตใจก็เข้มแข็งอธิษฐานปรารถนาให้สิ้นกิเลสสิ้นทุกข์บรรลุนิพพานในสัจจวัตรที่ต้องสินชาติลงเนี่ยจะต้องบอกเขานะประกาศให้ทั่วถามไม่สิ้นสงสัยนะมีอะไรไมน่านะเอหยกถามยกจะถามอืมมันจะถามความในใจ โอกาสไม่ทำ ค, คือคือโยมก็ติดใจอยู่จ้าค่ะคือ <c oughs> จะบากหรือเปล่าเ่ยคะคือโยมก็โดนพ่อแม่บังคับแต่งงานแต่พอแต่งแล้วโยมก็หนีเข้าไปทำงา น, นะคะ่ะแทีนี้เขาก็เป็นลมแล้วบปนลมอีกทีนี้โยมก็ตัดข้างปัญหาข้างหลังเลยค่ะโยมก็ไปไปทำงานทีจุดๆแล้วกตับมาแล้วก็ตายไปแล้วล่ะคะ่ะ เออยู่นช่ามันจะบาหรือเปล่าบาปเมืแล้วแล้วฟ้าคือได้ทีแก้วมาได้ทีแก้วเสียงล้องอ่ะแต่งงานแล้วแต่ถูกพ่อแม่ประคับให้คแต่งในสมัยนั้แหลแล้วก็ไปชอบปฏิบัติธรรมอนหลังก็ออกอุบายกับสามีว่าบวชไว้บวชเจ็ดวันถ้าไม่บวชจะตาย สามีพวกกำลังจะตายกันเลยถ้าไปใใรวนบอกเขาคนเดีวจ็ดวันไม่สึกสามีไล่ปําเลยสามีรักมากนะไล่ปัําแต่ใจแข็งมากเลยวิ่งหนีวิ่งห น, งนีสามีกว็วิ่งไล่ปัําใจวิ่งหนีพี่ชายก็เลยเข้าขวางพี่ชายของแม่ผูบอกว่าผู้หญิงเ้าไม่รักนะเราคิดผู้หญิงในโลกนี้มีเยอะอาจะหาผู้หญิงใหม่เถอ หูจะเลยมองหูมากมองหูดาดาดาเเสียงเสียงโยงก็ได <ître> ้ยินไม่ได้จะเราได้ยินเสียงเขาที่มันมันใจจะถาดมันดูออกอีกทีอันนี้เขาแข็มแข็งมากไม่กินแก้วแบี้ใช้หนีไปบวชแล้วไม่จุดปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์นะกระดูกายเป็นแก้วสมชื่อเลยเป็นที่ย่องย่องนะคับผู้มาจอย่องตามหาบัวก็ย่วงมาบรรลุอรหันต์กระดูกใเป็นแก้วเลยเราไปดู ภาวนาพุทโธภุทโธภุทโธภุทโธภุทโธภุทโธพุโธพุโธหลวงปู่มั่นบอกว่าให้ไปนั่งภาวนาพุทโธเราวการบ้านมันโตก็ไปนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปกี่ปีมั้งเห็นตัวเองตายลงไปล้มตายลงไปแล้วก็เมาทุ่มองหมเเขียวขึ้นพองขึ้นเขียวขึ้นพองขึ้นหลวงปู่มั่นเห็นหลวงปู่มั่นเดินถึงไม่เท้ามาแล้วก็มาเขีย เกียร์ตรงไหนก็เลกหมดเลยเกียร์แขนขาหลุดลุ่ยหมดเกียร์เนื้อหนังเราแตกหลดด้วยหมดเลยเกียร์ทองใสแตกไหลหมดเกียร์เกียร์ออกมาหมดเลยไม่มีชิ้นดีจะถึงสว่างหู้วงปู่มาถึงเป็นตามบอกว่าให้ไปตามว่าเอาข้าวเก็บไว้ถห้กินข้าวที่วัดก็ไปกางไปเพราะว่าไม่ดีกรบ้านัปเพราะว่าไม่ได้พุทโธเลยพุทโธไม่กี่ดีก็หลับไปแล้วฝันด้วยทำงานไม่กาไป รู้วันไายเด็กไปตามทั้ง3ามรอบต่อสุดท้ายประคับบอกให้มาก็เลยต้องไปหาลุงภูม่านยังไม่ทันลุงัูม่านไปก็บอกว่าอย่าเพิ่งใดฉันนะอย่าเพิ่งใดฉันกลัวมากเลยอย่าเพิ่งใดฉันอย่าเพิ่งดฉันต้ก็คืนหลับฝันไปไม่ได้โง่เลยหลับฝันไปจะถึงสว่างเลยลุงภูม่านเลยบอกฝันอะไรแกงบุกแต่จริงตองบุกมานะลุงภูม่านมีญากิใจแกงบุฝันอะไรก็เลยเล่าฝันให้ลุงูม้าน หลวงพ่อมาเลยบอกว่าถูกแล้วนะพี่นานมากๆนี่ะพี่นานเลอาเห็นอี่างนั้เห็นเล่าเหทอีกเห็ล่าเห็นอีกเนล่าเอีกอยู่อย่างนั้นสหละซ้ำๆๆเข้าก็เลยไปเดินอยู่ี่สบกว่าวันเดินชมกลมพี่น้าเดินชมเอย่างนี้เห็นเปล่งสายเน้าเป็นปูฟังนั่งยีสิกว่าวันก็เลยจะเป็นนั่งพักที่แค่ใต้โต๊ะมวกมีความรู้สึกแบบฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเนี่ย แก้หายหมดเลยไม่ได้นหน้าครับแล้วก็เสียงเสียงก็ปรากฏว่าฟ้องไปเลยหมดเลยว่าพบชาติเจ้าจบที่แล้วพบชาตเจ้าจบที่แล้วชาตมีเป็นครับผู้หญิงแม่งกระทาได้ไหมขนาดมีสามีอยู่ด้วยนะกระทำได้ยิ่งไม่มีสามีเงี้ยสบาย เอาให้จริงเหรอเอาให้จริงก็ได้จริงนะเอาจริงเอาให้จริงหลวงพู่ทาว่าเอาจริงไหมฮะเอาจริงคนจริงเอาจริงเรื่องรู้จริงเห็นจริงเป็นเอาให้จริง เกิดมาทั้งผีอ่ะได้เกิดมาก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วส่วนยักที่สุดในโลกที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดมาผู้พุทธศาสนาอีกมีผู้สอนทำที่ทำก็มผู้สอนให้ให้รู้จักทางที่จะเดินไปสู่คามนิพานก็มีครบแล้วแตนะ่ยังไม่ได้มักไม่เด้ผลเนี่ยโถือว่าขาดหยุดเยอะยับยหาเเือนยับ เพราะว่าโอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์ยากทีุ่ดในโลกบัดนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษยนะ์แล้วพบพุทธศาสนาก็อยู่มาเกิดในตันมนุษย์อยู่ในพุทธศาสนาแล้วแถมมีผู้สอนธรรมที่ทําให้รู้ทางแห่งมรรคกิจฟานเรายังไม่ได้อะไรจิตมาจิตมือเนโอเสียหายนะักเสียหายมากมายเสียหายหนักตายไปโดยที่เป็นโมฆะจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยากที่สุดในโลกแนละ้วโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเกิดในอยู่ในศาสนาพุทธก็ยากที่สุดในโลกแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพวธศาสนามีผู้สอนทำมีทำไม่รู้ทางเห็นทางไปสู่มรรคผลที่ผ่านก็ยากที่สุดอีแหละเราลองดูทำไมมันยากโอกาสจะเกิดมาเป็นมนุษย์ ใ, ยใหญ่ที่สุ ด, ดแล้วพระอุตตเ จ, จา้าแววเบียงเหมือนเห็นเตาตาบอดสองข้างอยู่ในก้นทะเลท้องมหาสมุทร ในโลกนี้ไม่มีแผ่นดินเลมีแต <Q> ่น้ําไปหมดเสียบเหมือนมีน้ําไปหมดใต้พื้นน้าที่เต่าตาบอดสองข้างร้อยปีโผมาหายใจหนึครั้งคนเท่าไหร่ในโลกนี้เมตสาบเอาเอาเอาแอกโยนลงไปในน้ำให้ไปสวมคอเต่าได้พอดีแต่ลมมันพัดแอร์ลอยหายไปหมดร้อยปีเต่าโผล่มาโอกาสจะได้สวมคอแอก์ก็มีถ้าเมื่อไหร่นี่เต่าได้สวมคอแอก์ได้เต่ามันจะไม่เกิดขึ้นมน นันแหละคนทั้งหลายในโลกนี้เห ม, มือนเตี๋ยเหมือนเต่าตัวนะ้ตายแล้วจะได้สวมขอแอกเมื่อไหร่เมื่อเต่าตาบอดสองข้างนะถ้าตายแล้วโผลนาหกร้อยปีโผลมาหายใจพอได้สวมแอกนั่นแหละคือเราละจะเกิดเป็นมนุษยักครั้เป็นยากที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วคิดดูสิคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้เกิดอยู่ต่างศาสนาตัวอยู่ต่างชาติต่างชาติต่างศาสนามากมายห่ายกองคือบอกว่าแม้จะเกิดเป็นมนุษย์จะอยู่ในพุทธศาสานาซะยาก แล้วก็จะเป็นรูปภูมศาสนาแล้วจะมีคนสอนทำจริตทาให้เราปฏิจจ์เป็นให้รู้รู้ทางเห็นทางอย่างมรรคผลนิพพานในปัจจุบันก็ดูที่ว่าแม้แต่คนที่เกิดวัฏาาสงสาด้วยกันในชื่อเป็นวัฏสงสารมีอยู่ในเมืองไทยและต่างประเทศมากมายใครบ้างแล้วที่จะมีโอกาสที่จะมาพุทธฤทธิ์ธรธมกับครูคบาอาจารย์ปฏิบัติแล้ ว, ลวเรารู้ทรรเห็นธรรมของพุทธเจ้าจริงๆมีไหมอย่างยาที่สุดนะน้องอันเนี่ย สุดยอดอยากสามอย่างเลยแล้ว จ, จะมีอีกไหมโอกาสเนี้ยถ้าจะมีดีเนาะถ้าคราวนี้พลาดจะมีผ่านเลยเหมือนกับรถไฟเที่ยวสุดท้ายถ้าผลาดแล้วมันมีพลาดแน่ๆมันต้องเอาให้ดีนะอย่าให้พลาดแผ่นดินไม่กบหน้าไม่มีวันท้อถอยไม่มีวันท้อแท้ไม่มีวนออัว น, วนยอมแพ้ถ้าแผ่นดินกบหน้าแล้วยังไม่รู้นิพานก็ถือว่าภาพภูมิใจอย่างที่สุดแล้ว ว่าได้สู้จนถึงที่สุดของนักสู้และไม่ดีความเสียใจสู้จนถึงว่าสวนรัฐสุดท้ายนั้นแหละต้องสู้จริงๆเสียจริงๆเกินจริงๆเสียให้เด้ที่สอนนี่ยคำสอนก็มีอยู่ใน y o u ูทูบอะก็ฟังเข้าให้ละเอียดทุกถ้อยคําแล้วก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามแล้วก็ทำทำแล้วก็ฟังฟังแล้วก็ตามตามแล้วก็ฟังฟังแล้วปฏิบัติทำ พอเจอเจ้ตัวเจอคนสอนก็ถามถามถามถามแล้วก็ฟังแล้วปฏิบัติตามแล้วก็ฟังฟังแล้วปฏิบัติตามเจวคนสอนก็ถามถามถามถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไปเกิดสิ่งเกิดขึ้นก็มันได้นะเหมือนกับเราเดินทางมาที่เนี่ยคือเหมือนเดินทางมาก็ดเที่ยวมายากลําบากเราต้องควรใช่ไหมเราก็มาจนถูกอ่ะเพราะทางอยู่กับปากเราก็ถามมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าเราไม่ระล่าในการทําความเพียรขับรถมาที่นี่ แล้วเราะหว่างที่ขับมาเราก็ถามถามถามแล้วก็ขับไปด้วยถามขับไปด้วยถามขับไปด้วยที่สุดเราก็ถึงที่นี่จนได้แม้แต่มันไกลก็ตามเนี่ยวางม่วมันอยู่ไกลก็ตามแต่ก็เดินทางจนได้ได้เยอะเลยถ้าเราเดินทางไม่ละไม่เลิกแล้วก็ถามมาตลอดทางถามผู้รู้มาตลอดทางที่สุดก็จะถึงที่หมายจนได้สําคัญทําก็ไม่ถามฟังก็ไม่ฟังปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติถามก็ไม่ถามใครครูบาอาจารย์ในอยู่ก็ไม่ถาม ไอ้อย่างนี้มันก็เชื่ไม่ได้ไม่มีโอกาสเหมือนเปรียบเหมือนไม่มีโอกาสจะมาถึงวังม่วงได้หรอกเหมือนหลายคนที่แบบเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาที่อ่นก็มาได้มาเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาที่อื่นคก็มาได้มาแล้วมาตายไปซะก่อนอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะอย่าปล่อยให้มันเสี่ยวกัดอย่างนี้แล้วที่สุประตายไปซะก่อนมีบางคนเนี่ย ไก่ตายมากราบเท้าเราเลยลุกขิที่เทียอยู่มากนะอาจารย์บอกตรงๆเลยสารภาพที่อาจารย์สอนมาเนะี่ยไม่เข้าใจเอ้าไม่เข้าใจก็ไม่ถามร้องไห้ไก่จะตายมากราบเทา้าอ้าวก็เราเห็นว่าตอนมา ป, ปฏิบัติธรรมก็เห็นร้องไห้อยู่เนะ แล้วไม่เห็นเหรอเนี่ยมันมีความคิดมีอารมณ์อยู่เนี่ยมันมีกิเลสอยู่นะไม่เห็นเรอไม่คิดอะไรเลยอยู่ๆมันก็ร้องไห้ขึ้นมาเลยทุกครั้งมก็ร้องไห้ขึ้นมาเลยเพราะว่าหลานติดยาเสพติดนะเสียใจร้องไห้อยู่เรื่อยๆแล้วก็บอกว่าได้คิดอะไรเลยมันร้องไห้ขึ้นมาเลยมันไม่เห็นเลยมันรู้เรื่องมันรู้ว่าจิตเป็นยังไงมัรู้ว่าแต่ที่นานทำไมที่นา น, าน แต่โชคดีก่อนตายมีคนเอาหนังสือของหลวงเขียนเรื่องแต่เธอหู่รู้สึกตัวไปใหอ้อ่านเกิดปรัสนามันเป็นยังไงแล้วก่อนถึงจะตายเกิด อ, อ่านหนังสือแล้วมีรู้เรื่องแล้วก็พอมารู้เรื่องทุกเรื่องที่อรมาเข้าใจถึงที่เราสอนทั้งหมดเลยยอล้อนหลังหมดเลยเข้าใจหมดเลย <S <S เราไปเยี่ยมโมูไหลลงามาจะเตียง ม, มากราบเราได้ดีใจมากเลยบอกว่าเข้าใจหมดเลย พอเขาอ่านโน้ตสื่อเรื่องนี้เข้าใจพวกเข้าใจเราหมดไปที่สอนมัน้ามันเข้าใจอ้าวยื้อยู่มันถึงเวลาไงมันจะตายเข้าใจแล้วว่าเวลาแกจะตายแกก็ให้พิมพน้ตสือเรื่องนี้แต่เธอรู้สึกตื่นเตในงานจบบางทีมันก็มาถึงเวลาเอาใกล้แต่ท่านกตันหันมากแต่ก็ยังมีตัวนี้ก็มันหน้าตาฟ่องใสยืนยันเต็บใจไม่กลัวตายมาเข้าใจเอานจบเยวหมดจบ ต้องต้องเร่งปฏิบัติเข้านะเน่งเขอย่าพึ่งพระเจ้าตัดเราอย่าพึ่งใครอย่าเอาความหวังเราไปฝากไว้ที่ใครอย่าเอาใจเราไปฝากไว้ที่คนจริงอย่ไปฝากไว้ที่พระเจ้าอย่าฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์อย่าไปฝากไว้าาที่ลูกที่หลานนะอย่าไปฝากไว้ที่สามีภรรยาอย่าไปฝากไว้ที่คนนั้นคนนี้ เพคนทั้งหลายมีความไม่มั่นคงมีความไม่แน่นอนมีความไม่เที่ยงต้องพึ่งตัวเองึ่งตัวเองพะตัวเองเป็นที่พึ่งอย่าไปพึ่งคนอื่นเ๋ยวใจไปฝากไว้ที่คนอื่นอ่ะหายต้องใส่ไหม